จริงการปฏิบัติธรรมนะเอาเบสิกเลยมันไม่มีอะไรหรอกมันคือการเรียนรู้ความเป็นจริงของตัวเราเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือกายกับใจเหล่านี้แหละถ้าเราเรียนรู้ความจริงได้เนะี่ยเราจะหมดถ้าไม่หมดนะก็ลดความยึดถือกายยึดถือใจลงได้ถ้าเรายึดถือมากนะทุกมากยึดถือน้อยก็ทุกน้อย ไม่ยึดถือก็ไม่ทุกข์ใจเรามันทุกข์ขึ้นมาได้เนี่ยพราะว่ามเข้าไปยึดถือสิ่งต่างๆส่วนร่างกายเป็นทุกข์มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันมีร่างกายแล้วยังไงก็ทุกข์ร่างกายของพระอราหันต์ก็ทุกข์เหมือนที่พวกเราทุกข์นะนะแต่จิตใจเนี่ยท่านรู้ความจริงมากท่านไม่ยึดถือท่านก็ไม่ทุกข์ ถ้านาคายึดถือจิตอยู่แต่ว่าไม่ยึดถือกายเงินร่างกายเจ็บป่วยแปรปลุนเลยไม่ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าจิตไม่มีสมาธิอะไร่เงี้ยยังเดือดร้อนพยายามรักษาจิตอยู่พระโสดาสกทาคาอะไรก็ยังยึดถือขันห้าเหมือนที่พวกเรายึดนี่แหละแต่ท่านยึดน้อยกว่าของเรายึดมาก ก็เราเห็นว่าขันห้าของเราร่างกายจิตใจของเราเป็นของดีของวิเศษพวงแหนมากรักมากอยากให้มันอยู่อย่างนี้แลอมตะนิรันดร์อยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราก็คงที่อยู่ในสิ่งที่ดีถ้ามีของไม่ดีมาก็อยากให้มันพ้นไปเร็วๆความอยากนั้นเป็นต้นต่อให้เกิดความยึดถือ เนี่เราจะเรียนนะจนกระทั่งวันหนึ่งมันไม่ยึดไม่ยึดไม่ทุกตัวที่ทำให้เข้าไปยึดถือสิ่งต่างๆความยึดถือเรียกว่าอุปาทานอะไรเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานก็ตัณหาความอยากเป็นปัจจัยให้เกิดความยึดถือเพราะอยากถึงยึดเพราะมีความอยากถึงมีความยึดความอยากเนี่ยเกิดจากว่า เรารู้สึกว่านําความสุขมาให้หรือมันนําความทุกข์มาให้สิ่งที่มากระทบเราเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่ามันนําความสุขมาให้เราก็อยากให้มันอยู่นานๆหรือมันยังไม่มาก็อยากให้มันมามันมาแล้วก็อยากให้มันอยู่ตลอดถ้ารู้สึกว่ามันนําความทุกข์มาให้เราก็อยากให้มันไม่มามาแล้วก็อยากให้มันไปเร็วๆตัวเวทนาเนี่ยความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ก็เลย เป็นปัจจัยให้เกิดความอยากพอมันสุขก็อยากให้มันมามาแล้วก็อยากให้อยู่นานๆมันทุกข์ขึ้นมาก็อยากให้มันไม่มาถ้ามันมาก็ให้มันไปเร็วๆเนี่อาศัยเวทนานะเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาอาศัยตัณหาคือความอยากก็เกิดความยึดมีความยึดขึ้นมานนะก็ไปหยิบฉวยเอาตัวทุกข์ขึ้นมากายนี้ใจนี้ในตัวตัวของมันเองนะั้นเป็นตัวทุกข์ สติปัญญาเราไม่พอที่จะเห็นว่ามันเป็นตัวทุกข์เราเห็นว่ามันเป็นของดีของวิเศษเราเลยเข้าไปยึดมันถ้าวันใดเราเห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์เป็นของไม่ใช่ของดีของวิเศษอย่างที่เคยนึกเคยคิดไว้ถ้าเห็นความจริงตรงนี้ได้นะความยึดถือจะหมดไปความอยากความยึดจะหมดไปอย่างเราเห็นนะร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่เป็นเรื่องธรรมดา เราก็ไม่ได้ไปอยากว่ามันจะต้องเป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดอยากให้มันแข็งแรงตลอดอยากให้มันเป็นอมตะไม่รู้จักตายอะไรเี้ยก็เรารู้ความจริงแล้วว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายบางครั้งใจเราก็ต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักนะร่างกายอาจจะไม่พลัดพรากอย่างเรานะบางคนทํางานที่เดียวกันนะเจอกันทุกวันเลย เคยรักกันแต่วันหนึ่งไม่รักแล้วเขาไปรักคนอื่ น, นตัวยังไม่ได้พลัดพรากนะแตใจพลัดพรากบางคนสามีภันยาทางานกันคนละที่ลูกศิษย์หลวงพ่อก็มีบางคนสามีอยู่กรุงเทพภรรยาอยู่กระบีอ่อะไรเงี้ยเขาไม่รู้สึกว่าเขาพลัดพรากกันทั้งๆที่ร่างกายเขาแยกกันอยู่นะเขาไม่รู้สึกพลัดพรากเพราะว่าใจใจยังรู้สึกว่าอยู่ด้วยกันนะ งั้นความพลัดพรากจากสิ่งที่รักการประสบสิ่งที่ไม่รักอนะไรเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องทางใจทั้งๆที่ร่างกายอยู่ด้วยกันนะยังรู้สึกสูญเสียคนรักไปก็ได้ไนี่มันเป็นเรื่องทางใจความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยเป็นความทุกข์ทางร่างกายความพลัดพรากจากสิ่งที่รักการประสบสิ่งที่ไม่รกักความไม่สมปรารถนานําความทุกข์ต่างๆมาให้ อันนี้เป็นเรื่องทางจิตใจความอยากทั้งหลายที่จะให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเนยีเกิดจากการที่ไม่รู้ความจริงยอมรับความจริงไม่ได้ว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายการที่มีความทุกข์ขึ้นมาเพราะพลัดพรากจากคนที่รักเพราะเจอกับสิ่งที่ไม่รักหรือเพราะว่าผิดหวังไม่สมปรารถนานก็มีความอยากเป็นพื้นฐานเหมือนกัน ชอบเขาก็อยากให้เขาอยู่ด้วยนานๆพอเขาไม่เที่ยงขึ้นมานะก็พลัดพรากจากสิ่งที่รักทนไม่ได้หรือเราอยากจะเจอแต่คนที่ชอบใจขอว่าไม่เจอคนที่ไม่ดีมีกรรมร่วมกันมานะก็มาเจอกันห้ามมันไม่ได้มันมาเราไปอยากให้มันไม่มาแต่มันมาอย่างปีกลายเราไม่อยากให้น้ำมาบ้านเรา ไปบ้านคนอื่นไม่เป็นไรหรอกมาบ้านเรามาน้อยๆหรือไม่มาแล้ดีอยากให้มันไม่มาก็เราไปปลูกบ้านในที่ที่น้ําจะมานะ <Yeah. S 1> เราไปอยากในสิ่งซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อนะอย่างน้ํามันต้องมีที่อยู่อยากให้น้ําไม่มีที่อยู่นะอยู่ๆก็ข้ามบ้านเราไปลงทะเลเลยไม่มาท่วมตรงนี้ความอยากไร้เดียงสาอยากเพราะว่าไม่รู้ความจริงยอมรับความจริงไม่ได้ สังเกตดูเถอความอยากทั้งหลายนี่มาจากการที่ยอมรับความจริงไม่ได้อยากแก่แล้วก็อยากไม่แก่ยอมรับความจริงไม่ได้ว่าต้องแก่เจ็บก็อยากไม่เจ็บก็ยอมรับความจริงไม่ได้ว่าต้องเจ็บตายก็ยอมรับความจริงไม่ได้นะทนไม่ได้เพราะว่ายอมรับไม่ได้ยอมรับความจริงไม่ได้ว่าเราต้องตายเรายอมรับความจริงไม่ได้ว่าบางคราวเราก็ต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักบางคราวเราก็ต้องเจอสิ่งที่ไม่รัก เรายอมรับความจริง <N ess ern> ไม่ได้ว่าเราสมอยากทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้หรอกนะ à. เมื่อใจยอมรับความจริงไม่ได้มันจะอยากให้เป็นอย่างอืน่นนะหรือว่าอยากให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งดำรงอยู่เรื่อยๆไปยอมรับความจริงไม่ได้ว่าจะต้องสูญเสียไปยอมรับความจริงไม่ได้ว่าบางสิ่งจะต้องมานะพวกเรารู้สึกไหมในร่ <N ess ern> างกายเราเนียร่างกายเราเนียพวกเรารู้สึกไหมว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกอย่างนี้ไหม รู้สึกไหมว่าจิตใจของเราเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหมเรายังไม่ได้เห็นความจริงที่พระอริยะบุคคลท่านเห็นพระอรหันต์ไม่ได้เห็นอย่างที่เราเห็นนะพระพุทธเจ้าไม่ได้เห็นอย่างที่เราเห็นเราเห็นว่าร่างกายของเราเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างแต่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเท่านั้นเอง คนที่ไม่มีสติปัญญาเวลามันทุกน้อยก็ว่ามันเป็นความสุขมันความสุขอะไรความสุขที่ยังแปรปรวนเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงหรอกพวกเรายังไม่เห็นว่าจิตใจเป็นทุกข์ล้วนๆเราเห็นว่าจิตใจเป็นทุกข์บางเป็นสุขบ้างพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านเห็นเลยจิตใจที่กลับกรอกยอกย้อนอยู่นี้เป็นก้อนทุกข์แท้ๆเลยไม่ใช่ทุกข์บางสุขบ้างเป็นทุกข์ล้วนๆ มีแต่ทุกมากกับทุกน้อยในขณะที่จิตใจมีความสุขนั้นพวกเรารู้สึกว่ามีความสุขแต่ในขณะนั้นเองนะพระริยาบุคคลระดับสูงหรือพระพุทธเจ้าเป็นประธานเนี่ยท่านเห็นว่าจิตกําลังทุกอยู่แต่ทุกน้อยๆน่อยจะไม่เหมือนที่เราเห็นหรอกการที่เราเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกบ้างเป็นสุ ข, ขบ้างเนี่ยทให้มันมีทางเลือกที่จะดิ้นรนหาความสุข ดิ้นรนหนีความทุกขนะ์ความอยากการดิ้นรนก็จะเกิดขึ้นนะอยากให้เป็นอย่างโ น, น้นอยากให้เป็นอย่างนี้ก็จะดิ้นไปเรื่อยทุกคราวที่จิต ด, ดิ้นรนจิตจะเกิดความทุกข์ขึ้นนะทุกคราวที่จิตปรุงแตง่งจิต ด, ดิ้นรนจิตจะทุกข์โดยตัวของมันเลยถ้านะเรายึดอยู่เนี่ยมันมันยึดไปนะมันก็ดิ้นไปก็เป็นทุกข์ ถ้าเราเห็นความจร Tim, ิงอย่างที่พระพุทธเจ้าเห็นอย่างที่พระอรหันต์ท่านเห็นกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิต น, นี้เป็นทุกข์ล้วนๆนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปความยึดถือในกายในใจก็จะไม่มีความอยากให้กายให้ใจเป็นสุขจะไม่เกิดขึ้นเพราะกายกับใจนี้เป็นสุขไปไม่ได้มันเป็นตัวทุกข์ความอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้น เพราะมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นตัวทุกข์ยังไงมันก็ทุกข์ไม่ทุกข์มากก็ทุกข์น้อยเท่านั้นเองถ้าเห็นความจริงอย่างนี้เนี่ยความดิ้นรนของจิตที่จะไม่เกิดขึ้นความอยากความยึดความดิ้นรนจะไม่เกิดขึ้นความอยากก็คือตัณหาความยึดก็คืออุปาทานความดิ้นรนของจิตเรียกว่าภพเนี่ยมีผัสสะการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ ทำให้เกิดความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์เกิดเวทนาพอมีเวทนาขึ้นมาก็เกิดความอยากมมีความสุขก็อยากให้มันอยู่ความสุขหายไปก็อยากให้มันกลับมามีความทุกข์ขึ้นมาก็อยากให้หายไปความทุกข์หายไปแล้วก็ไม่อยากให้มันมาอีกมันจะมีความอยากอย่างนี้เกิดขึ้นเวทนาอะไรเป็นปัจจัยให้เกิดความอยากพอมีความอยากก็จะเกิดความยึดถือนะมีความยึดถือก็จะมีความดิ้นรนของจิตนั่นก็การสร้างภพ แล้วจะไปหยิบฉวยเอารูปนามขันห้าตาหูจมูกลิ้นกายใจเข้ามาครอบครองไว้เรียกว่าไปหยิบเอาตัวทุกข์เข้นมาครอบครองไวนะ้การได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปนามขันห้าเรียกว่าชาติคือความเกิดมีความเกิดเมื่อไหร่ก็มีความทุกข์ทุกทีเพราะตัวรูปตัวนามนั้นในความเป็นจริงเป็นตัวทุกข์เนะนี่ยพวกเราจะมาเรียนนะจนวันหนึ่งข้างหน้าเราได้เห็นความจริงว่าขันห้านี้คือตัวทุกข์ เน่ถ้าเราเห็นถึงตรงนี้เมื่อไหรนะเราจะข้ามจากวัฏสงสารนี้เราจะได้พบความสุขที่เลยขันห้าขึ้นไปขันห้านั้นเป็นตัวทุกข์แน่นอนถ้าพ้นจากขันห้าพ้นจากความดิ้นรนปรุงแตง่งพ้นจากความอยากนะนั้นจะมีความสุขอันมหาศาลเปือพระนิพพานนิพพานมีจริงๆริงนิพพานไม่ใช่โลกอุดมคตินะไม่ใช่ยูโทเปียนะเป็นของมีจริงๆ เมื่อไรใจละหมดความดิ้นรนหมดความปรุงแต่งหมดการสแสวงหาหมดความอยากหมดความยึดนะใจจะสัมผัสพระนิพพานมันคือสันติสุขนะมันคือสันติความสงบความสงบสันติมีความสุขยิ่งกว่าสิ่งใดๆนะนนี้เป็นของที่มีอยู่จริงๆผู้ที่สัมผัสมาแล้วมีจริงๆนะมีพระพุทธเจ้าสัมผัสมาเป็นคนแรกนะพระสาวกก็สัมผัสตามมาเป็น ลำดับลำดับพระอาจเจ้าสอนบอกว่าตราบใดที่โลกยังมีผู้เจริญสติปัฏฐานอยู่ตราบใดที่ยังมีผู้เจริญสติปัฏฐานอยู่โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์การเจริญสติปัฏฐานก็คือการมีสติรู้ความจริงของร่างกายการมีสติรู้ความจริงของความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ทั้งหลายการมีสติรู้เท่าทันความปรุงแต่ง ของจิตใจนะปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างการมีสติเห็นกระบวนการทํางานทางจิตใจเช่นมันปรุงนิวรณ์ปรุงกิเลสขึ้นมาอย่างนี้อย่างนี้นะมันปรุงโพชฌงขึ้นมาได้อย่างนี้นะนะหรือเห็นกระบวนการทํางานที่จิตปรุงความทุกข์ขึ้นมาเห็นกระบวนการทํางานที่ความทุกข์ดับไปนะอันนี้เรียกว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทนะหน้าที่เรา จเจริญสติปัฏฐานมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางคือจิตที่มีสมาธิที่ถูกต้องจิตตั้งมั่นอารมณ์นั้นเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยจิตเป็นคนดูจิตเป็นคนดูไม่เข้าไปอินไม่เข้าไปแทรกแซงไม่ไปหลงยินดียินร้ายกับอารมณ์ที่กาลังปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตา ความสุขเกิดขึ้นก็รู้ทันว่ามีความสุขเกิดขึ้นก็จะเห็นความสุขเกิดได้ความสุขก็ไปได้ความทุกข์เกิดขึ้นก็มีสติรู้ทันนะจิตเป็นคนดูอยู่ก็จะเห็นว่าความทุกข์มาได้ความทุกข์ก็ไปได้จะเห็นอย่างนี้กิเลสมาจิตไปตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่ก็จะเห็นเลยว่าความโลภความโกรธความหลงมาแล้วก็ไปทุกอย่างมาแล้วก็ไปหมดเลยนะเนื้อหัดเจริญสติเจริญปัญญามากๆนะ วันหนึงใจมันรู้ความจริงเลยว่ารูปนามขันห้ากายใจของเราไม่ใช่ของดีของวิเศษอะไรหรอกนะเป็นของที่ไม่เอาไหนเลยเป็นตัวทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะไม่เที่ยงทุกข์เพราะถูกบีบคั้นทุกข์เพราะว่าไม่อยู่ในอำนาจไม่เป็นไปตามใจอยากไม่อยู่ในอำนาจไม่เป็นไปตามใจอยากทุกข์เพราะเราเห็นอนัตตาตรงที่เห็นไม่เที่ยงหมายถึงของเคยมีแล้วมันก็ไม่มี เคยมีความสุขแล้วมันก็ไม่มีเคยมีความเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วมันก็ไม่มีนี้เรียกว่ามันไม่เที่ยงเคยหายใจออกแล้วก็มาหายใจเข้าแสดงว่าลมหายใจออกก็ไม่เที่ยงของที่เคยมีแล้วไม่มีเคยโกรธแล้วไม่โกรธเคยรักแล้วไม่รักนี่ไม่เที่ยงคําว่าเป็นทุกข์หมายถึงมันบีบขั้นถูกบีบขั้นอย่างความสุขเกิดขึ้นอย่าความสุขถูกบีบคั้นตลอดเวลาที่จะให้สลายตัวไป ร่างกายของเราเกิดขึ้นมาแล้วก็ถูกบีบคั้นตลอดเวลาเพื่อให้สลายตัวไปการบีบคั้นอยู่นี่เรียกว่าเป็นตัวทุกขังนะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากเหตุไม่ใช่เกิดที่เราสั่งมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นี่เรียกว่าเห็นอนัตตาถ้าเราเห็นอ น, นิจจังทุกขขังอนัตตาเนี่ยเห็นเพียงมุมใดมุมหนึ่งอย่างแจ่มแจ้งเราจะรู้เลยว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ของดีของพิเศษ ไม่ใช่ของที่น่ารักน่าห่วงแหนมันเป็นภาระทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทั้งสิ้นถ้าเราได้เห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกจนใจยอมรับความจริงได้ความยึดถือจะหมดไปพระพุทธเจ้าถึงสอนบอกว่าเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดคือคลายความรักใคร่ยึดถือเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วะ เวลาหลุดพ้นเนี่ยจิตมันพลากออกไปจากขันนะไม่ยึดถือไม่ก่อไม่เกี่ยวอะไรเลยจิตสว่างสวัยเต็มโลกธาตุไม่มีขอบไม่มีเขียนไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีไหลไปไหลมาไม่มีเลยสว่างสดชื่นเบิกบานผองใสโดยตัวของมันเองอยู่ที่เราฝึกเอานะเราเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพระเบื่อหน่ายจึงคลายกาหนัด เพาะครกำนาจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วนะแล้วท่านจะต่อท้ายบอกชาติคือความเกิดเนี่ยหมดสิ้นแล้วกิจที่ต้องทําเพื่อความพ้นทุก์เนี่ยทำเสร็จแล้วกิจอย่างอื่นภาระอย่างอื่นที่จะต้องปฏิบัติอีกไม่มีนะท่าบอกชาติสิ้นแล้วพรหมจันทร์อยู่จบแล้วนะกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้คือความหลุดพ้นอย่างเนี้ไม่มีอีกนะ นี่เป็นที่สุดที่พระสาวกทั้งหลายท่านตามพระพุทธเจ้ามาก็เข้ามาสู่ภาวะอันนี้เองภาวะที่จิตมันพลากออกจากขันนะโดยเด็ดขาดเมื่อก็ไม่ต้องสงวนรักษาอะไรอีกต่อไปแล้วนะทุกอย่างเป็นอัตโนมัติเป็นกริยาไปหมดเลยเป็นของอัศจรรย์อย่างยิ่งเป็นของอัศจรรย์อย่างยิ่งนะสภาวะชนิดนี้ ครูบาอาจารย์ท่านเล่ายัางหลวงตามหาบัวเคยเล่าว่าพอสัมผัสนะท่านน้ำตาร่วงเลยว่าธรรมะอย่างนี้ก็มีด้วยหรือของอัศจรรย์ขนาดนี้มีด้วยหรือไม่น่าเชื่อเลยว่ามีนะของดีของวิเศษขนาดนี้มีอยู่นะพวกเราก็ตั้งใจเบื้องต้นรักษาศีลห้า ตาอมาเขาพยายามฝึกใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวอย่าฟุ้งซ่านเลื่อนลอยลืมกายลืมใจไปพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวได้แล้วนะเขามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงก็คือเป็นไตรลักษณ์นะอย่างอื่นไม่ใช่ความจริงไตรลักษณ์เป็นความจริงเห็นกายเห็นใจมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงรู้ได้จิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง จิตตั้งมั่นก็คือจิตเป็นแค่คนดูเท่านั้นจิตเป็นกลางคือจิตไม่เข้าไปแทรกแสงเช่นเวลาความโกรธเกิดขึ้นจิตตั้งมั่นอยู่ก็จะเห็นว่าความโกรธกับจิตเป็นคนละอันกันแล้วก็เป็นกลางก็คือจิตไม่เข้าไปเกลียดความโกรธอยากให้ความโกรธหายไปเร็วๆไม่มีความอยากอะไรเกิดขึ้นแค่รู้แค่เห็นสักว่ารู้สักว่าเห็นเท่านั้นเองแล้วมันก็จะเห็นความจริงว่าความโกรธมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ เนี่ยเป็นวิธีการปฏิบัตินะถ้าพวกเราที่มาเข้าคอร์สยังไม่ค่อยได้ยินได้ฟังนะหลวงพ่อแนะนำอดทนนิดหนึ่งให้โอกาสแก่ชีวิตของตัวเองบ้างไปฟังซีดีนะที่หลวงพ่อแจกให้มีซีดีเยอะแยะเลยพยายามฟังนะมีแผ่นเดียวฟังมันแผ่นเดียวนะแต่ฟังแล้วฟังอีกเถอะซีดีของหลวงพ่อไม่เหมือนใครนะจะบอกให้ ฟังครั้งที่1ก็เข้าใจแบบ1นึงนะฟังครั้งที่2ความเข้าใจก็เปลี่ยนฟังครั้งที่ร้อยความเข้าใจก็ยังเปลี่ยนได้อีกนี่เป็นความอัศจรรย์ของธรรมะนะไม่ใช่ CD ดีฟังเพลงนะฟังแล้วกี่ทีกี่ทีก็เหมือนเดิมใจก็จืดชืดมากขึ้นมากขึ้นยังไปซื้อ CD ดีเพลงเพลาะเพมาใช่ไหมฟังหลายๆรอบว่าเสงีงเสงจืดจืดหรือหลังก็ไม่ยอมฟังแนละ้วซีดีลวงพ่อไม่เป็นอย่างนั้นนะ ฟังแรกๆเนี่ยจืดชืดหรืออะไรวะฟังไม่รู้เรื่องฟังไปฟังไปยิ่งอริยอร่อยนะยิ่งทราบซึ้งถึงออกถึงใจความรู้ความเข้าใจนี้จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะจากทีแรกเราก็นึกว่าอย่างนี้แหละหลวงพ่อสอนอย่างนี้แหละภาวนาไปช่วงหนึ่ง่ารู้เลยอ๋อไม่ใช่หรอกเข้าใจผิดไปต้องอย่างนี้ต่างหากนะพอภาวนาไปอีกช่วงไอ้ต่างต่างหากนั้นก็ผิดอีกแล้วนะนะเนี่ยค่อยพัฒนาพัฒนาไปความรู้ความเข้าใจจะเปลี่ยน ที่สําคัญนะเราจะเป็อ่านพระใจผิดดกรู้เรื่องเราจะไปฟังครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนถูกถูกเนะี่ยเราจะฟังเข้าใจช่วนงะสอนผิดนะเราก็ฟังเราก็เข้าใจนะว่าเขาสอนผิดนะงั้นอดทนนิดนึงให้โอกาสกับชีวิตของตัวเองบ้างนะฟังแล้วฟังอีกทิฏฐิมานะที่ว่ากูเก่งกูเก่งเนะีโยนทิ้งซะเถอะไม่เก่งจริงหรอกถ้าเก่งจริงไม่ทุกหรอกนะถ้ายังทุกได้ยังไม่เก่งจริงหรอกถ้าติดเพ่งติดอะไรนะ ลองทบทวนดูเพ่งมากี่ปีแล้วมีอะไรดีขึ้นบ้างนอกจากมาหน้าตาแรงขึ้นแล้วจะมีอะไรมากกว่านั้นนะถ้าทำถูกต้องพ้นทุกในเวลาอันสั้นจาไว้นะถ้าทำถูกเราจะต้องพ้นทุกในเวลาอันสั้นไม่ยาวถ้ายาว10ปีแล้วก็ยังเหมือนเดิมทำไม่ถูกแน่นอนเลยเอาต่อไปใครจะส่งกันบ้านเชิญ วันนี้โมหะเยอะมากค่ะโดยเพาะแล้วก็ฟุ้งแรงมากคือเราไม่ไปแทรกแซงจิตนะมีโมหะรู้ว่ามีโมหะใจอยากให้พ้นรู้ว่าอยากเลยนะมันทําอะไรเราไม่ได้จริงไม่มีอะไรเลยนะรักษาจิตมีสติรักษาจิตก็คือมีสติรู้ทันจิตสติจะรักษาจิตเองเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่ดิ้นรนมัวมืดก็ดิ้นรนจะเอาสว่างนะ ใ, นใจจะเรียงลงในธรรมที่เป็นคู่ กลเอความมัวจะเอาความแจ่มใสนะให้มันเป็นกลางมัวเป็นมัวสินะดูสิมัวจะเที่ยงหรือไม่เที่ยงต้องดูอย่างนี้นะเออแจ๊ใจห้าวหานอย่างนี้นะมันมีใครทำอะไรเรามาได้หรอกกิเลสทั้งหลายนี่สู้เราไม่ไ่อยหรอกใจเด็ดไหมอยังเมื่อคืนนะคะเวลาที่แบบพอมีอะไรผิดปกติอะคะ่ะมันจะเห็นว่ามันโกรธขึ้นมาด้วยเออนะนะให้รู้ทันนะพระโกรธก็จะเสียสมาธิ เสดสมมาทิก็จิตใจก็ยิ่งแย่ใหญ่เห็นไหมงั้นให้รู้หลักที่หลวงพ่อสอนนี้ใช้ได้หมดเลยรู้ด้วยความตั้งมั่นและเป็นกลางตรงโกรธนี่ไม่เป็นกลางละให้รู้ทันนะยังยังติดดูกายอยู่นะคะดูกายไม่ใช่ติดดูกายดูได้นะกายานุปัสสนาก็ดูกายจิตมันว่างตลอดค่ะอ๋อจิตมันไม่ว่างจริงหรอกว่างนั้นเพราะเราเราไปแต่งเอาไว้เราไปแต่งเอาไว้นะ เราไปประคองให้มันนิ่งว่างๆยมดูกายนะแล้วก็อย่าไปดูเฉยๆดูให้มันแรงขึ้นละเอียดขึ้นดึงผมตัวเองออกเป็นไม่ต้องดึงจริงนะดึงในใจนะแยกผมเอาไปดึงผมไปจนเห็นหัวล้นๆนเลยนะเอาผมไปกองไว้อันหนึ่งลอกหนังตัวเองถอดกระดูกเป็นชิ้นๆนะไล่ขึ้นไล่ลงเดี๋ยวใจก็เคลื่อนจนได้หลยเพราะนั้นทนที่ติดนิ่งติดเฉยเนี่ยครูบาอาจารย์สอนให้พิจารณากาย มาดูกายเธอไปดูกายเฉยใจก็เฉยกายก็เฉยเฉยอย่างนี้ก็ไม่ดีท่านสอนให้คิดพิจารณาเข้าไปเลยแยกมันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเลยบางองค์ท่านก็เผาเอานะกาหนดจิตเหมือนไฟเผานะเผาเผาเผาไฟท่วมท่วมท่วมขึ้นมาจนไหมไปหมดเลยแล้วพอเหลือแต่จิตดวงเดียวพอจิตมันเคลื่อนออกจากสมาธิมีร่างกายปุ๊บนะจะรู้สึกเลยร่างกายไม่ใช่เราแร้วเมื่อกี้มันโดนเผาไปหมดแล้วมันไม่มีเรานะ กายกับจิตจะแยกออกจากกันเลยของโยมไปพิจารณากายเลยนะถ้ามันเฉยกลาบธรรมะสการหลวงพ่อค่ะเ อ, อขออนุญาตทรงการบ้านย้อนหลังในช่วงสองปีที่ผ่านมาด้วยนะคะย า, ยาวนักก็รักกันะนะไม่ยาวค่ะแต่ว่าคือมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะ่ะที่เห็นสภาวะก็คือว่าเห็นอาการคันเกิดที่ผิวเสร็จแล้วมันก็ว่างลง ว่างลงแล้วมันก็เห็นการรับรู้ที่ผิวหนังเกิดขึ้นแล้วมันก็ว่างลงเสร็จแล้วก็เห็นอาการยุกยิกอยู่ในใจอะค่ะแล้วมันก็ว่างลงแล้วเสร็จแล้วมันก็เห็นอาการที่ใจมันทะยานออกไปเกิดความรู้ขึ้นมาว่านั่นคือความอยากเก่าเค่ะแล้วมันก็ว่างลงเสร็จแล้วมันก็เกิดความรู้สึกอย่างหนึ่งขึ้นมันเป็นความกระจ่างขึ้นมาในความรับรู้อะค่ะว่าทั้งชีวิตของเราอยู่ด้วยกระบวนการแบบนี้แหละอื อันนี้คือนี่คือสภาวะที่ที่เคยาายังดูไม่พอนะแล้วก็ถ้ามันไม่เห็นก็อย่าไปดิ้นรนให้เห็นนะค่ะเวลาเห็นเนี้ยเขาเห็นเองเนี่ยมันจะเห็นไม่พอถ้าเห็นพอไม่กพ้นไปนี่ยังไม่พ้นนะค่ะยังไม่ทราบค่ะว่ายังไม่พ้ น, นแล้วก็เออที่เมื่อวานนี้ง่วงมากอก็กลับไปเดินที่คุติก็ยังรู้สึกว่ากายง่วงแต่ใจไม่ง่วงแต่ว่ามันฝืนแรงของกายไม่ไหวก็ก็ ก็แอบไปนอนอยู่ครึ่งชั่วโมงนะอนอนได้ไม่ต้องแอบไม่ได้ห้ามแต่พอพอช่วงเย็นก็หลังจากได้พักแล้วใจตั้งมัน่นแล้วก็เดินได้วันนี้ใจมีกำลังกว่ า, ม า, วาเมื่อวานถูกต้องนะแต่มีความฟุ้งอยู่ด้วยนะดูออกไหมดูออกค่ะถ้าดูออกไม่เป็นปัญหาใจเป็นคำกลางๆนะใจดีก็ได้ใจร้ายก็ได้ใช่ใจกุศลก็ได้ใจอกุศลก็ได้ หลวงปู่เทศเลยบอกว่าคนโบราณแปลคําว่าใจว่ากลางนะนได้ยินว่าใจกลางเลยใจเป็นกลางกลางแต่ตอนนี้กลางไม่กลา ง, ไ ม, ลางไม่กลางค่ะเออไม่กลางให้รู้อ่าแล้วก็เห็นเรตอนแรกเราจส่งกันบ้านที่หลวงพ่อเทศตอนเช้าไปแล้วก็เลยไม่ต้องส่งเห็นว่ามันดิ้นตลอดเวลาจิตมันดิ้นดินดินแล้วมันก็โง่อยู่ที่ที่ดิ้นแล้วก็ยึดของมันอยู่นะแล้วก็เห็นอีกตัวหนึ่งเลยว่ายินดีที่ ที่ยินดีที่ยึดมันนะคะนั่นแหละถ้ามันเห็นทูกเห็นโทษนะมันไม่หลงยินดีไม่ยึดหรอกใช่ค่ะเม้มันต้องอยากก่อนนะมันถึงยึดใช่ค่ะถูกเห็นถูกแล้วติดอะไรอยู่ปะคะถ้าภาวนาไปได้อย่ารีบร้อนอยากคาดหวังว่าจะได้เมื่อนั้นเมื่อนี้นะ่ะทําไปทั้งชีวิตดีดีอยู่แล้วขอบคุณค่ะผลนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเอง วันนี้มีโมหะเยอะค่ะหลวงพ่อแล้วก็จิตไม่มีกําลังค่ะอืจิตไม่มีกําลังบริกรรมไปก็ได้หายใจไปก็ได้ค่ะไม่ต้องอยากให้มันมีกําลังนะทําทําเหตุไปเรื่อยพุโทโธพุทโธไปหายใจไปเดี๋ยวมันก็มีขึ้นมาค่ะแต่ว่าตอนนี้พอไม่มาถึงตัวแล้วบอกว่ารู้สึกว่ากําลังมันมาค่ะโอ้แล้วไม่ <laughs> ตัวนี้เป็นวัตถุมงคลแล้วแต่เดิมนะใครจับเข้าไปตัวแข็งคือ <laughs> เห็นว่าโมหะมันเยอะมากแล้วก็จิตมันมีโทสะเป็นพื้นด้วยค่ะแล้วก็จะเห็นว่าความคิดที่มันไหลออกมาเนี่ยมันจะเป็นความคิดลบเยอะมากค่ะหลวงพ่อแล้วครั้งที่แล้วที่ส่งกันบ้านส่งส่งกันบ้านนะคะหลวงพ่อบอกว่าติดประคองนิดนึงไม่ทราบว่ายังติดอยู่ไหมคะไม่มากแล้วแต่ว่ายังติดอยู่ใช่ไหมคะนิดหน่อยไม่มากหรอกใหม่ๆมันต้องประคองไว้น่อยนึงน ะ, ะต้องตึงไว้นิดนึง ถ้าไม่ตึงเลยก็หลวมไปเลยหย่อนทีนี้คือก็เห็นว่าตัวเองตั้งใจมากค่ะแล้วก็เกิดอาการเพ่งแล้วก็เลยก็เลยก็เลยปล่อยแล้วก็แบบตามดูอะค่ะแต่ว่าทีนี้คือคือตอนนี้ก็เลยกลัวว่าตัวเองจะปล่อยแบบหย่อนยานเกินไปอะค่ะทำในรูปแบบไปก็แล้ว ก, กันนะแล้วก็ปล่อยอย่างนี้แหละแต่ถึงเวลาก็ทำในรูปแบบไปติดอะไรอีกไหมคะลหลวงพ่อไม่มีอะไรมากนะใจยังฟุ้งเท่านั้นแหล ะ, ะ, ะใจมันฟุ้งนิดหน่อยเท่านั้น มันไม่เข้าบ้านไม่ถึงฐานเอ้าใครจะคุยกับหลวงพอ่อตามความจําเป็นเอที่จําเป็นนะกลาบน้มัสการครับมีการบ้านมาถวายครับอืมดีครับก็กลับไปภาวนาจากเดิมที่ค่อนข้างจะไปทางเพ่งนะครับก็ปล่อยก็สึกโป่งขึ้นนะครับก็มีภาวะที่ เหมือนจิตเขาหาความเป็นตัวเองไม่เจอนะครับเขาก็ค่อนข้างตกใจแล้วก็จริงๆไม่มีหรอกครับเขาหาใหญ่แบบมั้นมันเสียดายมันว่ามันว่างเสียดายเนาะครับมันเหมือนกับเราเป็นใครเราไม่เหมือนไม่รู้จักตัวเองไม่มีครับแล้วก็เข้าใจความไม่เป็นกลางขึ้นมานะครับว่าจิตมันอยู่เฉยๆพอมีอะไรเข้ามากระทบมันก็จะเข้าไปแก้ไขอะไรติดนะครับ นี่เป็นผลจากการที่เราคลายการเพ่งออกล้วเพ่งก็อยู่อย่างนั้นหลายๆปีก็อยู่ที่เดิมนี่เราเริ่มได้เห็นความจริงแล้วจิตมันเป็นของมันเองเห็นเห็นถูกใช่ไหมครับถูกแล้วก็เห็นบางครั้งก็เห็นความอยากนะครับซึ่งที่ผ่านมาบางครั้งเคยเข้าใจว่าเป็นความอยากของร่างกายจริงๆเป็นความอยากของจิตดีดีความอยากทางกายไม่เป็นกิเลสนะไปทาต่อนี่นะครับนะขอคาแนะนา ทำไงทสมถะได้บ้างไหมก็พยายามทำครับนะอย่าทิ้งสมถะนะครับนมรการ์ค่ะหลวงพ่ อ, อ, อปีนี้เพิ่งมาส่งกันบ้านเป็นครั้งแรกค่ะคือว่าปกติเราไม่ค่อยได้ทำในรูปแบบแต่ปีนี้พอไม่ไ ม, ไม่ได้มาวัดก็เลยทำเป็นรูปแบบมากขึ้นคือก็บอกตัวเองว่ายังไงควรจะทำทุกๆวันพระแล้วก็รู้สึกว่าจิต รู้สึกเองนะคะว่าจิตตั้งมั่นมากขึ้นฟุ้งซ่านน้อยล ง, งแล้วก็อยู่กับโลกได้ดีขึ้นค่ ะ, ตออคะแต่ว่ามีข้อเสียตรงที่ว่ารู้สึกว่าพออยู่กับโลกได้ดีขึ้นเนี่ยการที่ที่ดูจิตในชีวิตประจำวันมีความรู้สึกว่าสติน้อยล ง, งดูน้อยลงรู้สึกว่ามีโมหะมากขึ้นอันนั้นเราต้องทำในรูปแบบน ะ, ะทาสมาธิทาอะไรให้จิตมันตั้งมั่น เช่นพุทโธพุทโธจิตไหลแล้วรู้หายใจจิตไหลแล้วรู้อะไรเงี้ยค่ะจิตจะได้มีแรงก็ไม่ทราบว่าหลวงพ่อมีอะไรแนะนำหรือตอนเนี่ยเนี่แล้วนะอ๋อแนะนำขอบคุณเนื้อไว้สํานะเนื้อจิตมันจะได้มีกําลังค่ะค่ะส่งกันบ้านแค่นี้ค่ะเอดีใช่ได้เวลาที่พวกเราภาวนานะบางครั้งทั้งๆั้ที่ภาวนาอยู่ดีๆนะใจมืดใจมัวใจหงุดหงิดโมโหอะไรเนี่ย คือมารเนี่ยมีสองชนิดนะมารภายในกับมารภายนอกมารภายในก็คือกิเลสของเราเองมารภายนอกมันก็มีมันแกล้งนะมัส่งคลื่นที่ไม่ดีมาพวกเราเคยไหมที่เข้าไปในที่บางแห่งแล้วเวียนหัวอะไรเงี้ยเคยเป็นไหมหรือเคยเข้าใกล้คนบางคนแล้วอึดอัดไหมเคยเข้าใกล้คนบางคนแล้วสดชื่นไหมเนี่ยมันมีพลังงานนะคลื่นจากจิตของคนแต่ละคนนะ แล้วทุกวันนี้คลื่นที่ไม่ดีเนี่ยเยอะแยะเลยเต็มบ้านเต็มเมืองคนมันเครียดมากอะ่ะมันจะมีแต่โมหะมีแต่ความฟุ้งซ่านมีแต่โทสะอะไรเนี่ยแทรกเข้ามาเยอะแยะเลยพวกมิจฉาทิฏฐิอะไรบางทีมันก็แกล้งเรานะมันแกล้งได้แผลคลื่นที่ไม่ดีเข้ามาครอบให้เราเวียนหัวอะไรให้โมโหโทโสอะไรเงี้ยหน้าที่เราก็ต้องสู้กับมนันทั้งมานภายในมานภายนอกนะสังเกตกิเลสของเราไปเรื่อยนะมานภายนอกไม่ต้องสนใจมัน ให้รู้ทันจิตใจของเราด้วยจิตใจเรามืดไปหมดละมืดก็มืดมืดก็รู้ว่ามันกําลังมืดอยู่ด้วยความเป็นกลางมันฟุ้งซ่านแล้วฟุ้งซ่านก็ไม่เป็นไรรู้ว่ามันกำลังฟุ้งซ่านอยู่ด้วยความเป็นกลางในขี้โมโหก็ไม่เป็นไรนะรู้ว่ามันโมโหรู้มันด้วยความเป็นกลางไม่ต้องไปทำอะไรมันรู้อย่างเป็นกลางแล้วเราก็ไม่ใช่ตัวคนเดียวนะเราก็มีลูกเป็นลูกมีพ่อมีแม่นะ เราก็พยายามสวดมนต์ของเราไปนะนะโมตัสสะอิติปิโสอะไรเราสวดเราเรื่อยเราได้สมาธิเราคิดถึงพระพุทธเจ้าเรื่อยๆนะคิดถึงพระพุทธเจ้าเรื่อยๆนะมานภายในคือกิเลสของเราก็หาโอกาสเล่นงานเราได้ยากมานภายนอกก็เล่นงานเรายากนะพระพุทธเจ้าเคยสอนในพระสูตรอยู่อันหนึ่งนะชื่อทชักขสูตรใช่ไหมท่าชักขสูตรท่าชักขสูตรนะ บอกว่าเวลาภิกษุทั้งหลายนะไปอยู่ในป่าในเขาอะไรเนี่ยเกิดขนพองสยองกล้าวขึ้นมานะก็ให้นึกถึงธงสิ่งที่เรียกว่าธงก็คือพระพุทธเจ้านะคิดถึงพระพุทธเจ้าเรื่อยๆอย่างเราจิตใจเราไม่ดีนะถูกเคลื่อนที่เลวร้แทรกเนี่ยพวกมารพวกอะไรกวนเราแล้วคิดถึงพระพุทธเจ้าสวดีทีปิโสไปนะฝากเป็นฝากตายกับพระพุทธเจ้านะจิตเราสงบนะจิตเรามีกาลัง มานสู้ไม่ได้ท่านบอกหรือคิดถึงธงอันที่สองคือพระธรรมธงอันที่สามคือพระสงฆ์ก็ได้ท่านยกตัวอย่างเวลาที่เทวดารบกับอสูรบางครั้งเทวดาก็กลัวอสูรเหมือนกันนะสู้ไม่ไหวเทวดาอยา ก, ยกหนีหันไปเห็นธงของพระอินทร์ยังอยู่นะพระอินทร์ยังไม่ถอยเลยนะเทวดาก็ฮึดสู้กับอสูรอีกหันไปเห็นธงของสุยามเทวราชอนะไรเงี้ยเขายังสู้อยู่ก็ยังไม่ถอยนะ บอกว่าก็เลยสู้อสูรได้งั้นบางทีเราก็ต้องมีธงในใจของเรานะเหมือนทหารเขาก็มีธงชัยเฉลิมพลใช่ไหมของเรามีธงของเราคิดถึงพระพุทธเจ้าอีทีปิโสของเราไปเรื่อยฝากเป็นฝากตายกับพุทธเจ้าเมื่อวานมีผู้หญิงคนหนึ่งมามาหาหลวงพ่อเมื่อ5ปีก่อนบอกว่าเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วอยู่ได้อีกไม่กี่วันจะต้องตายแล้วละ่ะหมอบอกอย่างนี้นะ มาหาหลวงพ่อวันเสาร์แล้วก็มาบอกอย่างนี้แล้วก็บอกว่าสติเขาแตกหมดแล้วล่ะเ้าทํากรรมฐานอะไรไม่ได้เลยทําอะไรก็ไม่ลงแล้วจิตใจมันฟุ้งซ่านสุดขีดแล้วนัคิดถึงแต่จะต้องตายแล้วจะตายแล้วหลวงพ่อบอกว่าเมื่อทํากรรมฐานอะไรไม่ได้เราเป็นลูกมีพ่อมีแม่นะล้วคิดถึงพระพุทธเจ้าเลยว่าเราขอถวายร่างกายนี้เป็นเหมือนดอกไม้บูชาพระพุทธเจ้านะ เมื่อดอกไม้นี้ตัดจากต้นแล้วไปเสียบจากกันไหว้พระแล้วดอกไม้จะเหี่ยวหรือไม่เหี่ยวไม่สําคัญหรอกดอกไม้นี้ได้ใช้ประโยชน์เต็มที่แล้วได้เอาไปบูชาพระพุทธเจ้าแล้วให้ตั้งใจว่าเราขอถวายร่างกายนี้บูชาพระพุทธเจ้าให้นึกอย่างนี้เรื่อยๆนะพอวันาังคารจะมานะหน้าตาใสขึ้นมาแนะใจเริ่มสงบแล้วเราคิดถวายร่างกายให้พระแล้เพราะงั้นต่อไปนี้มะเร็งจะกินจะตายก็เรื่องของมะเร็งนะ เรื่องของร่างกายซึ่งไม่ใช่ของแก่แล้วปรากฏว่าไม่ตายนะแล้วก็หายแต่ว่าพอรักษาหายแล้วเนี่ยหมอหมออยู่ได้2ปีนะ follow up มา2ปีแล้วบ่กโรคเนี้ยปียังไงก็ต้องกลับมา2ปีไม่มานะเมื่อวานนี้ครบ5ปีก็เลยมาเอาผ้ามาถวายหลวงพ่อผืนหนึ่งนะบอกว่า5ปีแล้ว เขาชนะแล้วเขาเป็นลูกพระพุทธเจ้านะอคือเขาฝากเป็นฝากตายกับพระพุทธเจ้าของเราแค่มวนนิดๆหน่อยๆยังไม่ใช่มะเร็งขั้นสุดท้ายใกล้ตายอย่าท้อใจซะก่อนละอ้าว่ามาก็ทำในรูปแบบประจำค่ะเช้าเย็นขับรถไปทำงานก็สวดมนต์ในรถเปิดซีดีฟังดีแต่ว่ามันเหมือนก่อนหน้านี้มันเหมือนเคยมีจิต รู้อะค่ะอืเหมือนมันมันรู้อะค่ะอเราอย่าอยากได้นะอย่าอยากได้ถ้ามันไม่ไม่มาก็ช่างมันนะมันมาแบบปุ้งนึงเลยอะค่ะหลวงพ่อแบบสั่นค่ะตอนนี้คือมันมันจะรู้หมดแล้วมันจะเข้ามาข้างในแล้วมันก็รู้มันรู้ออกไปข้างนอกใช่ไหมแล้วก็เถือนเข้ามาหรือไง มันเข้ามาก่อนนะคะพอรู้แล้วมันก็กลับเข้ามา อ, อีกนะคะมันมีพลังงานอยู่ตรงกลางอกนะคะถูกแล้วแหละถูกแล้วมันดิ้นอยู่ตรงกลางอกนั่นแหละนะมันจะปรุงสุขปรุงทุกข์ปรุงดีปรุงชั่วปรุงออกจากกลางอกนี่แหละอาจารย์มหาบวชถึงบอกนะว่าทำแท้เกิดขึ้นกลางอกกุศลก็เกิดที่ตรงนี้แหละอากุศลก็เกิดตรงนี้เวลาเกิดมรรคก็เกิดตรงนี้นะเกิดที่กลางอกนี่หละแล้วตอนนี้หนูต้องทํา เราทําสม่ําเสมอเท่านั้นแหละส่วนผลจะเป็นยังไงเรื่องของผลนะเราทําเพศทําปฏิบัติของเราสม่ําเส ม, สมอไปแล้วเหมือนเหมือนหลังๆอะคะ่ะคือช่วงที่เร็วๆมาเนี้มันไม่ค่อยมีตัวแรงๆมาให้ดูแต่ว่าก่อนหน้าเนี้ยมันจะเห็นแบบเหมือนหนูไปดูโทสศาซี่อะไรนะคะดูความหงุดหงิดใจอะมันจะแทรกแทรกเข้ามานะเวลาเราคิดถึงการปฏิบัติแล้วมันไม่ได้อย่างใจนะ มันหงหุดหงิดขึ้นมาให้รู้ทันหงหุดหงิดขึ้นมาให้รู้ทันเลยๆกิเลสเล็กกิเลสน้อยอะไรเกิดขึ้นในใจรู้ทันบ่อยๆนะเดี๋ยวมันก็พัฒนาได้แค่นี้ใช่ไหมคะดูตัวนี้ก่อนใช่ใชมถ้าตัวนี้กําลังครอบงําอยู่ครับการวัสการหลวงพ่อนะครับพอดีมาเข้าคอร์สกับทีมงานนะครับอืแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้มานั่งฟังหลวงพ่อได้หลวงพ่อตัวเป็นๆ ทั้งหดภาษาสมัยใหม่เนะฟังแล้วแสลงหูว่าไงก็ได้ได้ฟังซีดีมาระยะหนึ่งฮะก็ปฏิบัติมาแต่จะคราวนี้ได้ได้ได้พบหลวงพ่อก็จะสอบถามว่าสิ่งที่ได้ปฏิบัติมานี่เข้าแนวทางพ่อเข้าหรือเปล่าครับรู้ตัวไหมล่ะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองไหมครับนเอย่างใจเราเคยคลุกอารมณ์ตอนนี้ใจกับอารมณ์ก็แยกกันเป็น เห็นร่างกายกับใจเป็นคนละอันบ้างไหมครับมีบางช่วงครับเห็นความสุขทุกข์ไม่ใช่กายไม่ใช่ใจไหมยังยังจับสภาวะนี้ไม่ได้เห็นกิเลสกับจิตเป็นคนละอันไหมครับเอออย่างนี้ยมันแยกล้ขันนะหน้าที่ต่อไปนี้ก็คือถ้าขันมันแยกก็รู้ขันมันจิตมันไปรวมกับขันก็รู้นะแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นขันมันทํางานของมันได้เองไปเรื่อยๆเห็นไหมจิตมันโกรธได้เอง เห็นไหมมันโลภเองเห็นไหมมันสุขได้เองมันทุกข์ได้เองเราสั่งมันไม่ได้เนี่ยเฝ้าดูลงไปนะจนเห็นในสิ่งทั้งหลายเนี่ยเราบังคับไม่ได้สักอันนึ่งดูอย่างนี้เรื่อยๆครับผมมีคําถามนึงครับพอดีกรณีที่เรามีสภาวะที่ที่มีความเสียน่าจะเสียใจแบบรุนแรงแต่ว่าเราไม่รู้สึกสภาวะนั้นเลยอืมันผิดปกติหรือเปล่าครับมันปกติของคนปฏิบัติมันผิดปกติของคนในโลก ก็คนในโลกมันคนบ้าหลวงพ่อนะตอนพ่อตายนะจิตเบิกบานมากมายไม่ใช่เบิกบานได้มรดกนะเบิกบานะแล้วพี่น้องหลวงพ่อนละ้วไม่มีใครเศร้าใจสักคนเลยนะเรื่องอะไรต้องเศร้านะเบิกบานขึ้นมาเพราะว่าคิดถึงธรรมะของพระพุทธเจ้านะรว่าพระพุทธเจ้าสอนความจรงิง พ่อเราได้แสดงตัวอย่างของธรรมมาให้ดูเนยใจมันเบิกบานขนาดนั้นนะงั้นถ้าเราภาวนานะมันเดียวเบิกบานไม่เศร้าหรอกเศร้ามันทำไมกรับขอบพระคุณครับอ่ะต่อไปก่ามาัชิบานหลวงพ่อค่ะจะขอสอบถามครั้งแรกอะคะ่ะปกติจะนั่งสมาธิอยู่เป็นประจำแต่ว่ามันเป็นบางครั้งที่จะมีอาการวูบ พูไปเหมือนตกเหวอ่าใช่เราไม่ได้นั่งให้มันตกเหวเล่นหรอกนะเรานั่งมีสตินะลองปรับวิธีดูอย่างนั้นมันคุ้นเคยหรือเคยชินกับการนั่งสมาธิเพื่อจะเอาความสงบเป็นหลักต่อไปนี้เราเปลี่ยนเป้าหมายของการนั่งสมาธิเราไม่ได้มุ่งเอาความสงบเป็นหลักหรอกเรานั่งสมาธิเพื่อเอาความรู้สึกตัวเป็นหลักนะหายใจไปรู้สึกตัวไปจิตหนีไปรู้ทันจิตไปเพ่งลมรู้ทัน รู้ทันจิตไปเรื่อยๆนะลองเปลี่ยนวิธีนั่งสมาธิแล้วเราจะได้สมาธิอีกชนิดหนึ่งขึ้นมาวิเศษกว่าอย่างแรกมากเลยไอสมาธิบูบูบ้าบานะไม่ได้อะไรขึ้นมานะหวัดเสียวแบบเราเพราะนั่งมาหลายปีแล้วก็เออ<ม>เลิกซะนั่งต่อแต่ว่าไม่ได้นั่งเอาวุบูบาบๆนะนั่งรู้ทันเวลาจิตมันไหลไปไหลมานะกราบนมัส ก, การหลวงพ่อว่าไงอาจารย์ อาจารย์วิบมาณจากหาด้เอ่หลวงพ่อครับคือการบ้านครั้งที่แล้วหลวงพ่อให้ให้ไปดูความพอใจไม่พอใจออยังไม่ถึงเวลาออกปฏิบัติธรรมให้ดูตัวนี้ให้ใหชัดก่อนออแต่นี้หนูก็มีสติสังเกตเห็นเห็นชัดเลยค่ความไม่พอใจออพอใจเห็นมันเกิดดับต่อหน้าต่อตาน่นนมันต้องอย่างนั้นสิแ ต, แต่นี้มันก็รู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นอนัตตาใช่ตอนนี้คนที่ ทำให้เราไม่พอใจเราก็โอ้โหแผยเมตตากลายเป็นพอเห็นไอ้ความไม่พอใจเราก็กลายเป็นเมตตามันออกมาอมเองว่าสงสารเขาอะแบบเขาโอ้โหแบบแต่สงสารเขาได้นะแต่อย่าไปดัดแปลงเขาอ่าไม่สงสั้นจะแทรกแสงเขาแล้วก็เราก็เลยปฏิบัติทําแบบให้มีขอขมากรรมมากขึ้นในชีวิตประจําวันตื่นขึ้นมามก็ขอขมากรรมแล้วก็แผ่เมตตา ให้ทุกคนเนี่ยเขาจะได้แบบเขาจะได้มีความไม่พอใจหรือพอใจอะไรเนี่ยให้ให้เขาแบบสามารถมีความสุขมีความเป็นกลางแล้วเราก็อยู่กับความเป็นกลางตรงเนี้ยจิตที่เป็นกลางแล้วมันก็มันก็ยิ่งเห็นชาติคุณค่าของความเป็นกลางเนี่ยแล้วเลยกลายเป็นเหมือนกับว่าอารมณ์ต่างๆนี่มันเป็นอ น, นัตตามันเป็นอะไรสิมันก็วางแล้วมันก็สบายๆกับความเป็นกลางชีวิตนี้ก็คิดว่าไม่ต้องการอะไรแล้วค่ะก็ ไม่แทรกแซงจิตก็เข้าถึงความเป็นกลางออตัวเนี้ยให้รู้ทันนะ้าอาจารย์ตอนเนี้ยมันมีตัวหนึ่งเกิดขึ้นแล้วละ่ะคมันเป็นวิปัสสนูปกิเลสตัวหนึ่งนะเป็นความฟุ้งไปในธรรม ะ, ะมันจะพอคิดถึงธรรมะนะใจมันจะเลื่อนไหลไปนะมันจะปลืม้มมีความสุขไปนะ<อ>ตัวเนี้เป็นเรื่องปกตินะไม่ใช่บ้านะเวลาถ้าเราทําวิปัสสนาถูกต้องมันต้องมาเจอวิปัสสนูสิบตัวเนี่ยต้องเจออย่างน้อยตัวสองตัวนะ ของอาจารย์ตอนนี้มันมาเจอวิปัสสนูตัวหนึ่งที่ว่ามันปลื้มไปในธรรมะแล้วนะเวลาพูดถึงธรรมะนะใจมันจะเคลิม้ม <Okay. S 2> จะยินไปในธรรมะอาจารย์ต้องรู้ทันใจที่ไหลไปตัวนี้นะ <Okay. S 2> สมาธิต้องตั้งมั่นใจตั้งมั่นเป็นคนดูเรื่องจะหลุดออกจากการที่ปลื้มไปในธรรมะ <Okay. S 2> ก็จะพ้นวิปัสสนูตัวนี้นะ <Okay. S 2> นี่เราสอนกันแบบลูกศิษย์เก่าเลยนะตรงไป <Okay. S 2> ตรงมาถ้าคนใหม่ๆผ่านวิปัสสนูนี่ต้องอ้อมๆหน่อยต้องพูดอ้อมไปอ้อมมานะเดี๋ยวมันมโมโห อย่างนี้หนูก็ต้องนั่งสมาธิเพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ก็นั่งแต่ว่ารู้ทันจิตที่เคลื่อนรู้ทนันจิตที่เคลื่อนนะ อ, นนะอย่างเมื่อกี้ที่เล่าให้หลวงพ่อฟังรู้สึกไหมจิตมันจะเคลื่อนไปเรื่อยๆมันจะอินไปในธรรมะนะแล้วถ้าถ้าโลกนี้เกิดนะมันจะบางทีมันอยากเทศด้วยนะอยากสอนไปหมดเลยเห็นใครก็เมตตาอยากไปสอนเขาหมดเลยนะต้องระวังอยากสอนนะหลวงพ่อตอนนี้ก็ไปเปิดวิชาใหม่ เป็นคอนเลยค่ะต้องระวังตัวค่ะนะจารย์ระวังตัวนี้นะมันเป็นวิปัสสนตัวหนึ่งปกตินะทําวิปัสนาถูกต้องเกิดวิปัสสนนะแต่ว่าวิปัสสนเนี่ยเปิดจากสมาธิไม่พอจิตไม่ตั้งมั่นจิตมันไหลไปถ้าจิตตั้งมั่นขึ้นมาก็หายทันทีเลยยังเสียงหล่อเหมือนเดิมครับ ก็ไม่มีสงสัยอะไรครับเพราะว่าท่านอาจารย์ก็เทศในซีดีหมดแล้วนะเทศไว้แล้วล่ะใช่ครับก็มีแต่ความปลื้มปิตินะแล้วก็ปฏิบัติธรรมท่านอาจารย์เสมอมาครับดีแล้วล่ะนะทําไปแล้วพยายามอยู่ครับได้พ้นทุกไปครับค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะดีทุกวันก็จะสวดมนต์แล้วก็แต่ว่าไม่ได้นั่งสมาธิหรือว่าเดินจงกรมค่ะก็แต่ว่าระยะหลังสองาทิตย์นี้รู้สึกว่าจะเริ่มรู้สึก ได้มากขึ้นนะคะว่าทุกอย่างที่เราพูดหรือว่าเราทําออกไปนี้เป็นเพราะว่าเซิร์ฟอัตราตัวตนของเราแข็งนะที่เห็นนะแข็งเปกนอย่าง น, นั้นทุกคนแหละค่ะพราะรู้สึกว่าช่วงหลังจะดูรู้สึกออกว่าจะโมโห ง, ง่านก็ขี้งุดหงิด ต, ตลอดเวลาค่ะหลวงพ่อเวลาใครมาทําอะไรหรือพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้รู้ทันเอานานะ<ด>เราไม่ได้ติดเพ่งถ้าติดเพ่งอยู่ไม่งุดหงิดหรอกก็นิ่งๆไปทั้งวัน นจิตทั้งเราเคลื่อนไหวไปตามธรรมชาติกระทบอารมณ์ไม่พอใจมันก็ไม่พอใจขึ้นมาให้รู้ทันมันก็<ม>จะเห็นว่าอารมณ์ที่ไม่พอใจความหงุดหงิดนะ<ม>ก็เป็นของแปลปลอมมาแล้วก็ไปเช่นเดียวกับความรู้สึกอื่นๆนั่นแหละนี่ก็เลยสงสัยว่าพอในใจมันหงุดหงิดมากแต่ว่าคําพูดที่เราพูดออกไปมันเป็นคําพูดธรรมดามันจะเป็นการใส่แซงไหมคะออืพูดต้องเรียบร้อยถูกแล้วไม่ใช่พูดตามใจชอบนะ คุณตามไทยชอบเสียศีลยังต้องรักษาศีลไว้ก่อนใจมันโกรธได้นะแต่ก็ไม่พูดไม่ดีอย่างเงี้ยแล้วอยากจะขอกันบ้านหลวงพ่อให้หลวงพ่อแนะนำว่าตอนนี้เป็นยังไงเราบ้างะคะ่ะทำไปเรื่อยๆนะแต่รู้เท่าทันไปใจมันหงุดหงิดขึ้นมารู้ทันเจอนทั้งในที่สุดมันสบายมันเป็นกลางมันเห็นสิ่งทั้งหลายมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปม่ค่อยพัฒนาไป กราบนมรสการหลวงพ่อค่ะวันนี้มาเอามากราบหลวงพ่อค่ะเพื่ อ, อเป็นบุญกุศลที่ฟังซีดีของหลวงพออ่อแล้วปฏิบัติตามคําแนะนําของหลวงพ่อเมื่อกล่าวที่แล้วค่ะเอค่ะคิดว่าได้ผลหรอได้ผลยังไงก็ทําให้ตัวเองมีสติขึ้นค่ะแล้วก็ทุกน้อยลงเศร้าโศกในชีวิตตัวเองน้อยลงค่ะนะมีสติขึ้นแต่ก็วันนี้ก็ อยากจะขอความเมตตาจากหลวงพอ่อแนะนำก็ที่ทำมานะเราก็เริ่มเห็นผลในการปฏิบัติบ้บางแล้วละ่ะค่ะต่อไปเราก็ฝึกข็งเราเรื่อยๆจิตเคลื่อนแล้วเรารู้จิตไหลไปเรารู้แต่ว่าไม่รักษาไว้น ะ, ะไม่ใช่ว่าห้ามเคลื่อนเคลื่อนก็ได้แต่เคลื่อนแล้วรู้นะถ้าถ้าเราไม่รู้ทันนะจิตจะออกนอกรู้จักจิตที่ออกไปข้างนอกไหมไม่ไม่ค่อยนอนใจ <laughs> อย่างบางทีมันก็หนีไปคิดเคยเห็นไหมจิตไหลไปคิดค่ะ เคยเห็นจิตไหลไปดูไหมไปดู<จ>โทรทัศน์ไปดูอะไรเย่างี้นออะจิ้มก็ไหลไปอย่างบางทีมาฟังหลวงพ่อเนี่ยจิตก็ไหลมาที่หลวงพ่อบ้างไหลไปคิดบ้างให้รู้ทันจิตที่ไหลบ่อยๆนะสมาธิมันจะมากขึ้นคไม่ห้ามจิตไหลก็ได้แต่ไหลแล้วให้รู้ทันถ้าจิตไหลแล้วไม่รู้ทันเนี่ยหย่อนเกินไปถ้าห้ามไม่ให้จิตไหลเลยตึงเกินไป ถ้าจิตไหลแล้วรู้ว่าจิตไหลไปเนี่ยเป็นทางพอดีพอดีนะเมื่อตะ ก, กี้ฟังหลวงพ่อเทศเกี่ยวกับว่าพลังงานอะไรคะที่ไม่ไม่ดีอะค่ ะ, ะก็ ก, ก็เกิดความคิดของตัวเองพึ่งประสบมาค่ะว่าพลังงานตัวนี้หรือเปล่าที่ทําให้เรานอนระเมือ น, นอนฝันไม่ดีอะค่ะ อ, อย่างเมื่อ<ท><ท>คืนเนี้ยเขาฝันระเมินถึงสองครั้งเป็นการรบกวนลูกเลยค่ะก<อ>่อนที่จะมาหาหลวงพ่อนีคะก็เลยโยง ประสบการณ์ัวเอง <นะ S 2> ค่ะคือมีมความทุกตรงนี้อยากจะไม่ไม่ไม่อยากได้พลังงานตัวนี้อะค่ะอยู่ที่เวรที่กรรมนะตัวชี้ขาดคือกรรมถ้าเราไม่มีกรรมนะพลังที่ไม่ดีมาไม่ถึงหรอกถ้ามีกรรมล้วก็รับไปเป็นกลางกับมันบอกลูกว่าไม่เป็นไรนะตื่นบ่อยๆก็ไม่เป็นไรจะได้เจริญสติแล้วทําไงเจ้าแบบ กำจัดพลังงานอย่างนี้ได้คะ่ะใช่วิธีการทําพลังงานที่ดีให้เกิดให้มากนะภาวนาไปทําสมาธิไปสวดมนต์ไปอะไรเงี้พลังงานที่ดีมันมากขึ้นมากขึ้นพลังงานที่ไม่ดีมันมาไม่ถึงค่ะกราบขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะโมทนาน ะ, ะ เ, าเชิญกลับบ้าน